คาถาที่29อกคิตะจักขุเนี่ยนะได้ยินว่าในพระนคพรพาราสีพระราชาพระนามว่าจักขุโลละพรหมทัตจักขุก็ตานะโลละก็โลเละพระเจ้าพรหมทัตตาโลเละนะเพราะอะไรเพราะพระองค์นี้ทรงโปรดการดูกระนักฟอนเหมือนพระเจ้าปาทะโลละพรหมทัตอันนี้โลเลเท้านะแต่นี้ต่างกันด้วยอันนี้โลเลทางตา โลเลเท้าก็คือเที่ยวไปเรื่อยถ้าโลเลตาก็ดูไม่เบื่อพระเจ้าปาท ะ, ะปาทะโลละพรหมัศต์นั้นไม่พอพระราชชาลืไทยเสด็จเข้าไปในที่นั้นๆอันนี้ น, นี่ความต่างนะส่วนพระเจ้าจาักขูโลละพรหมัศน์นี้ทรงเห็นนักฟ้อนนั้นนั้นแล้วก็ทรงเพลิดเพลินยิ่งนักอุ้ยใครรําก็สวยไปหมดเสด็จเที่ยวทำตันหาให้เจริญมีความสุขกับการดูวงเปลี่ยนวงไปเรื่อยๆนะดูมีความสุขมาก ด้วยการทอดพระเนตรดูนักฟ้อนที่เยี่ยงไกลนี้ได้ยินว่าพระองค์้เห็นภริยาของกุดมพีคนหนึ่งที่มาดูนักฟ้อนเอาจะเอาเข้าจริงๆเนี่ยไม่ได้ชอบพวกนางฟ้อนเท่าไรชอบมาดูชอบคนที่มาดูนักฟ้อนอีกทีหนึ่งก็เลยราคะให้เกิดไปชอบเมียชาวบ้านเขาพอหนึกรักเมียชาวบ้านเขาเท่านั้นแหละสลดใจทันทีเลยสังเวชใจว่าอเราเนี่ยเนาะ ยังตันหานี้ให้เจริญอยู่จากเต็มด้วยอบายแน่นอนนงะั้นถ้าหาว่ายังถืนปล่อยให้ใจเพลิดเพลินเนี่ยนะตอนแรกก็เพลิดเพลินพวกนางฟ้อนอยู่ดีๆนี่มาเพลินเมียชาวบ้านเขาอีกแล้วเนี่ยนรกแน่นอนนะอ่ะ น, นี่จะไปไหนแบบนั้นถ้าปล่อยให้ใจเจริญให้ใจที่เป็นตันหาแบบนี้เจริญมากขึ้นมากขึ้นฉุดไปสู่อบายทุคติวินิบาศแน่ก็เลยเอาเถอะเราจะคมราคะนั้นเห็นโทษเลยนะออกบวช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 ถ้ากล่าวคุณของทำขาวเท่าใดก็แปลว่าตำหนิทำดำเท่านั้นเช่นว่าถ้าสรรเสริญคนดีเท่าใดก็แปลว่าตำหนิคนเลวเท่านั้นถ้าสรรเสริญบัณฑิตเท่าใดก็แสดงว่าตำหนิคนพาลเท่านั้ น, น, น, น, น, นฉันใดเมื่อกล่าวถึงการไม่สํารวมอินทรีย์ติเตียนควา้าเ อ, อถ้าชื่นชมการประพฤติปฏิบัติที่ถูกที่ถูกต้องก็แสดงว่าตำหนิข้อปฏิบัติที่ผิดพลาดเนี่ย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 บทว่าอนวัตโตความว่าเป็นผู้เว้นจากการรั่วรถของกิเลสในอารมณ์นั้นก็ไม่ใช่ว่าปล่อยปล่อยกิเลสปล่อยบาปอากุศลเรี่ยราดทั่วไปหมดก็ไม่ใช่บทว่าอัปะริไดหาโนความว่าเพราะเว้นจากความรั่วรถอย่างนี้เองอันไฟคือกิเลสทั้งหลายไม่แผดเผาอยู่อันไฟคือกิเลสทั้งหลายไม่รั่วรดแล้วในภายนอกไม่แผดเผาอยู่ในภายใน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 ท่านก็พิจารณาอริยสัตตรัสรู้เป็นพระประเจกผู้ท่เจ้าในนิเทศภาษาริบุตรนิเทศไว้ว่ า, าภิกษุเป็นผู้ไม่สำรวมจักสุบอย่างไรคืออย่างไรชื่อว่าไม่สำรวมตาเนี่ยนะบอกว่าภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เล้วไหลเพราะจักสุที่เราว่ามีตาเล้วไหลเนี่ยนะแต่พฤติกรรมเลี้วไหลในคนไทยได้ยินนะรู้จักแต่ว่าเอา๊มีตาเล้วไหลนี่เป็นยังไง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 เรียกว่าเอาสายตาเนี่ยนะสาดส่องไปทั่วทั่วแผ่นดินไปหมดเลยไม่รู้ดูให้มันเป็นอะไรก็ไม่ทราบเนี่ยนะเอาดูเพื่อทำไมก็ดูเพื่อสร้างตาสิจะได้ต่อตาให้มันยาวที่สุดเท่าที่จะยาวได้อีกอย่างหนึ่งภิกษุเข้าไปสู่ละแวกด้านละแวกบ้านเดินไปตามถนนไม่สํารวมเดินดูกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพเดินเท้าดูกุมารกุมารี ดูเด็กหญิงเด็กชายดูสตรีบุรุษดูร้านตลาดดูประตูบ้านดูบนดูล่างดูทิศน้อยทิศใหญ่เดินไปนี่ก็เรียกว่าไม่สํารวมจากสุขหรืออีกอย่างหนึ่งภิกษุเห็นรูปด้วยจากสุแล้วก็ถือโดยนิมิตโดยอนุพยัญชนะไม่ปฏิบัติเพื่อสํารวมจากขุนรีเพราะจากขุนศีที่เมื่อไม่สํารวมแล้วพึงเป็นเหตุให้อกุศลธรรมอลามกหรืออกุศลธรรมที่เป็นบาป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 กลิ้งไปเกลือกมาจนไปบได้บาปอากุศลกลับมานั่นเองอีกอย่างหนึ่งพิกษุชื่อว่าเป็นผู้สำรวมจักสูอย่างไรพิสูุนในพระธรรมวิัยนี้ไม่เป็นผู้เลวไหลเพราะจักสูไม่ประกอบด้วยความเป็นผู้เลวไหลเพราะจักรุคือไม่มีความคิดว่าเราจะดูรูปที่ไม่เคยดูจะเลยจะผ่านเลยรูปที่เคยดูแล้ว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 สัมรวมตาก็ไม่ใช่ให้นั่งหลับตาตลอดเลยเนะี่ยไม่ใช่อย่างนั้นไม่ใช่ว่าปิดตาเพราะฉะนั้นบางบางลัทธิเขาถือว่าสัมรวมตาคือทํำยังไงก็บอกว่าอย่าดูหลับตาซะบอกว่าถ้าอย่างนั้นคนตาบอด ก, ก็สัมรวมได้มากที่สุดสิเพราะฉะนั้นในที่นี้คําสอนของเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างเช่นว่าดูยังไงอักุสลธรร ม, อ, ม, มอัลาหมกเขือพิชาและโทมนัทไม่ครอบงำอะ่ะอันนั้นก็คือดูโดยดูแล้ว่โลภะไม่เกิด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 ต่อไปบอกว่าเป็นผู้ไม่เหลวไหลเพราะเทา้าเราไม่มีเท้าเหลวไหลอธิบายว่าภิกษุผู้มีเท้าเหล้วไหลเนี่ยหรือเหลวไหลเพราะเท้าเป็นอย่างไรภิกษุบางรูปในธรรมวินัยนี้เป็นผู้เหล้วไหลเพราะเทา้าประกอบด้วยความเป็นผู้เหล้วไหลเพราะเทา้าออกจากอารามนี้ไปยังอารามนู้นนะ จากชนบทนี้ไปยังชนบทนั้นก็เที่ยวไปเรื่อยเที่ยวไปไม่หยุดไม่ย่นเนี่ยนะอันนี้แหละเรียกว่าเป็นคนมีเท้าเลหลวไหลก็ไปไม่รู้ไปให้มันเป็นอะไรก็ไม่ทราบแต่ชอบไปอีกอย่างหนึ่งภิกษุเป็นผู้ประกอบด้วยความเลหลวไหลเพราะเท้าในสังขารามสังขารามคือฟุง้งซ่านมีใจไม่สงบมิใช่เพราะเหตุแห่งประโยชน์มิใช่เพราะเหตุที่ถูกใช้คือไม่ได้หวังประโยชน์อะไรสักอย่างไม่ถูกใครใช้อะไรสักอย่าง จากบริเวณนี้ไปบริเวณโนู้นไปหาพวกอะนะจากวิหารนี้ไปวิหารโ น, นู้นจากเพิงนี้ไปยังเพิง น, น้นจากปราสาสนี้ไปยังปราสาทโ น, นู้นก็แปลว่าขึ้นลงจากลงจากกุฏินั้นขึ้นกุฏิโน้ น, น, นกุหลงจากกุฏิ น, น้นไปเรื่อยๆ ๆ, ๆอย่างเ้รียกว่าไปนั่งคุยกับทุกกุฏิเลยเนี่ยถ้ามี20กุฏิก็หมดวันพอดีอย่างไงี้ยนะนะฮะแบบเนี้ย วันนั้นก็จากเรือนนี้ไปยังเรือนโน้นจากถ้านี้ไปยังถ้าโน้นจากกระท่อมนี้ไปยังกระท่อมโน้นจากเรือนนี้ไปยังเรือนโน้นจากป้อมนี้ไปยังป้อมโน้นจากโรงนี้ไปยังเป้อโรงโน้นจากที่พักแห่งนี re ้ไปยังที่พักแห่งโน้นที่ไหนที่เขามีคนอไปหมดอระมาณนั้นเถอะเพรอยู่คนเดียวไม่ได้เหงาอะนะโรคเหงาอะไรก็ไม่ทราบเนี 2> 2> ่ยนะก็หาพักหาพวกหาเพื่อนหาคุยปะเนี่ยนะเชื่อเถอะไม่คุยอะไรกสาระ เพราะฉะนั้นก็จากต้นไม้นี้ไปต้นไม้โน้นนั่งกันอยู่น น, นรูปเดียวก็รวมให้เป็นสองรูปเนี่ยนะเรียกว่าเริ่มประชุมพักละสมัยก่อนก็ชับพักคีเนี่ยชับพักขีเขาเรียก ว, ว่าพักหกเขาบอกว่าพักมีพวก6ก็มีพวก6 ก, ก็คือเอาพวกคณาจารยใ์ใหญ่มาประชุมกัน6รูปนะหรูปพวกนี้ก็โอ้เป็นกลุ่มเรียกว่าสร้างความวุ่นวายในพวพระสมัยนี้ที่ว่าเร็วๆไม่รู้จะสู้ท่าน6รูปนั้นได้หรือเปล่าก็ไม่ทราบ ในระกลุมพชัชพบขีมาสิกขบ า, กาบทในปัจจิตีสังาติเศหลายข้อเขาทั้งนั้นแหละนะต้นเหตุนเนี่ยนะแต่พระองค์ก็ไม่จับสุกรนะก็อยู่แล้วก็สร้างแล้วบัญญัติวินัยไปเรื่อยๆสรรหาทำใหม่ๆมากมายไปหมดเลยมันพวกนี้ชอบเพอร์เจอร์เนี่ยนะชอบเพอร์เจอร์หาพรรคหาพวกคุยแล้วก็กลุ่มเนี่ย เ, เขาวางพวกไว้หลายตำแหน่งด้วยกันเนี่ยนะเขาวางสมัครพรรคพวกเอาไว้หลายที่ด้วยกัน แล้วก็ดูว่าเออที่ไหนอาหารอร่อยที่สุดเนี่ยก็จะมีการวางพวกพวกไว้ถ้าที่ไหนอาหารอร่อยก็จะมีการชวนกันไปอะไรกันไปเนี่ยนะเอาทุกอย่างเลยแหละในพวกนี้เขาเรียกว่าเหลวไหลเพราะเท้าหรืออย่างถ้าหากว่าพวกไม่เหลีวไหลเพราะเ ท, าท้าทํำยังไงเอาเป็นคนไม่มีเท้าเหลวไหลอย่างเช่นพระประเจกับพะพุทธเจ้านั้นอ่ะท่านเป็นผู้เว้นเว้นขาดออกไปสลัดออกหลุดพ้นไม่เกี่ยวข้องด้วยความเป็นผู้เหลีวไหลเพราะเท้า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 พิจารณาปฏิบัติเพื่อการตรัสรูม้มรรคผลเรียกว่าผู้หนักในประโยชน์ตนเพราะประโยชน์ตนที่สูงสุดแท้จริงก็คืออรหัตตผลนั่นเองนะอรหัตตผลทันพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้หนักในประโยชน์ของตนก็คือมักจะหลีกเล่นโดยการเข้าพระสมาบัติทั้งหลาย